เพราะว่าประสบการณ์ในโลกช่วยให้เข้าถึงธรรมได้ป่าเถรวาทเรานั้นเราแบ่งโลกคำนิพานออกคนละโลกเลยแล้วก็มักจะเองที่หาบทสรุปว่าคนที่ต้องการรู้ธรรมต้องหนีโลกที่โลกต้องสละบ้านสละบเรือนมีเมีต้องเลิกกัเมียไม่กินข้าวหรือกินมีเดียวหรือไม่อาบน้ำอะไรๆไอ้ความคิดอย่างนี้ครับผมคิดมันไม่มีประโยชน์ ฝ่ายหัวยา น, นั้นไม่เสนอยิติของธรรมะที่กว้างโดยรวบรวมมรรประสบการณ์ทางโลกไว้ด้วยครับประสบการณ์ทางโลกไม่ใช่สิ่งร่างเปล่าผมคิดสมมติว่าคนที่มีสบการณ์ามากๆในเรื่องของความทุกข์ยากเนี่จิใจเขาจะหนักแน่นและอดทนเขาต้องต่อสู้มากเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทางมันเต็มไปด้วยเสี่ยนหน่อมและทำการเสี่ยนหน่อมก็ค่อยๆพัฒนา สมปรูดีความรับผิดชอบขึ้นมาไดนะ้แต่ตรงข้ามถ้าเราไม่มีรประสบการณ์เรื่านี้เลยแล้วไปเป็นนักพรตบางทีนักพรตจะไม่รู้ค่าของเงินเลยว่าบาทหนึ่งเนี่ยคือเงือกี่หยดกี่ยาทเพราะว่าทุกครั้งญาติโยมทุนถวายให้นั้นความรับผิดชอบจะไม่เกิดเลยนั้นเราถึงเห็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่น่าพัถนาเกิดขึ้นบ่อยในวัดวัดนั้นไม่ใช่เป็นที่มหาเศรษฐีจะไป จํำศีล ผ, ผมอาจจะก็นไะไอ้ไหนพระไว้หน่อยนะช่วยๆไม่ได้จริงๆเพราะช่วงนี้ช่วงที่มีการสำรวจกว้างท้าทายต่อสถาบันสงฆ์ซึ่งไม่เคยมีมา ก, ก่อนตั้งแต่ราอาณาจักรสุโขทัยต้นมาไม่คิดถึงอาณาจักรศรีวิชัยนะฮะเพราะมันคุ้มเคยทางด้านประวัติศาสตร์คิดรวมด้วยก็ได้ครับอันสองร้อยกว่าปีมาแล้วตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยจนมาทั้งวันนี้ที่กรุงเทพหรือที่ ท, ที่เหตุการณ์ สดๆนี่ไม่เคยมีใครกล้าท้า ท, า, ทายสถาบันสงฆ์เพราะว่าสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่ทุกคนเทิดทูนยกย่องไว้เชื่อใจเป็นสถาบันที่บริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งผมว่ามันถึงทวนนี้เนี่ยลําบากครับหลายคนไม่พูดแต่ลึกๆสงสยยัยในสถาบันนี้ขึ้นมาให้ดูเหมือนผู้รับผิด ช, ชอบต่อสถาบันนี้ผมหมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปนะครับ ไม่ประเมินผลเสียมไม่เป็นเนี่ยแล้วผมไี้อผมได้ยุนบ่อยที่พระผู้ใหญ่หรือผู้รับผิดชอบมักพูดว่าโอ้ยพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อมพุทศาสนาบริสุทธิ์ผุดปองอีูเสมอผมว่าคำพูดนี้กระมาอมากเพราะในอินเดียครั้งหนึ่งเนี่ยมันเสื่อมสูญพุทธศาสนาไม่เสื่อมมันก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่คำว่าเสื่อมในนี้หมายมันเสื่อมสลายไปจาก ความรับผิดชอบและความศรัทธาในหัวใจของประชาชนพุทธศาสนาที่ว่าดีและดีหนานะฮะสาบสูญไปจากอินเดียแหล่งกําเนรพุทธศาสนาที่ลงหลักปักฐานมั่นในชวานะครับที่เป็นสาเหตุในสร้างพุทธสถานนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีคือบรูพุโตนั้นสาบสูญไปจากเกาะชวานั้นคําว่าสาบสูญหมายถึงว่าคนหมดความมุ่งใสเท่านั้นเองครับ คือมันเสื่อมสูญมาจากจิตใจของระชาคนผมว่าพระสงฆ์ประเมินผลไม่เป็นมัวแต่คิดว่าโอ้ยโยมมันเข้าวัดเยอะนี่ประมาทมากแล้วครับท่จริงผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้นะเพราะัปไ ม, ม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ฟังแล้วก็เสียอารมณ์ปเปล่าๆแล้วคุณจะย้อนมาศึกษาครับสิ่งที่ผมเอ่ยแต่ต้นคาวิาญาณทัศนะ เด็กหนุนไทยหรือเด็กหนุนที่เป็นชาวพุทธทุกคนเมื่อวัยครบยี่สิบปีก็จะมีขนมประเพณีให้บวชนะส่วนถ้าถ้าบวชก่อนหนะ้านั้นนั่คือบวชเนนบวชเนรเนี่ผมว่าเป็นการประเตรียมเพราะสมณเณรแปลว่าหน่อเนื้อของผู้สงบสมณเณรแล้วหน่อเนื้อของสมณะและ้วสมณะแปลว่าผู้สงบนะฮะจะสงบเรื่อนหน้าของสมถะหรือสงบเรื่องหน้าของความรู้แจ้งวิปัสสนาก็เรื่องสงบทั้งสองอย่าง นนเพราะบเนมคงจะรับผิดชอบต่อสังคมหรืออะไรไม่ได้มากนัก น, นตัวเองก็รับผิดชอบเองไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพระที่เลี้ยงพระนั้นเปนที่เลี้ยงของเองสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีข้อกาหนดว่าอายุของสามเณรแค่ไหนดังนั้นอุบาสิกาคนหนึ่งด้วยความสงสารลูกอจะลํ า, าลบากในวันหน้าก็เอาลูกมาให้บวชตั้งแต่อายุเหมือ น, นสาหกก็หกขวบ เขตกเด็กเขาร้องอยู่เยอยากกินข้าวต้มข้าวต้มภาษาบาลีก็เรียกยาคุตังแต่ตะกเด็กเด็กเรียนเถียงว่ายาคุยาคุพระเจ้าได้ยินเข้าวก็แปลกใจว่าเด็กที่ไหนมาร้องข้าวต้มข้าวต้มอยูเมื่อท่านทรงรู้เข้าว่าบวชอายุน้อยเกินไปท่านเลยกําหนดเพิ่มขึ้ผมจำไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่เป็นจิตขวบหรือไงก็ไม่แน่ใจนะแต่ยี่สปีทีงกรุบุตรนะครับก็ต้องเข้าวัดเป็นพระ สักคนนึงเป็นอย่างน้อยในชีวิตครั้งของการหัวดแล้วสึกไม่มีประเพณีการศึกแต่ว่าศึกได้แต่ไม่เป็นอุเตนีอาจานย์โบราณเขาเล่าว่าถ้าพระจะ ส, สึกต้องไปสึกที่มาลัยทวีปคืออย่าให้ใครรู้ไปสึกเงียบเพราะว่าการศึกทําให้ผู้ที่อยู่ท้อใจไม่ใช่นวัยเหมือนกันแต่แล้วในประเทศไทยนี่เองครับที่ได้พัฒนาก้าวขึ้นสู่วงจรที่สําคัญมากในการถ่ายเท กระบวนการเข้าวัดและออกจากวัดเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่อณาจักรแก่ประเทศชาติและชุมชนเด็กอายุทีปีเปบุตในมิติกว้างก็คือได้รู้จักชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่เพราะชาวบ้านที่จะไปวัดเขาก็รู้จักทุกคนเหมือนเด็กที่บาลีนะเด็กโตวัยมากเด็กที่บาลีเนี่ยเขาจะมีความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนเขาได้ดีเขารู้ว่าผู้ชายคนไหนรักกับผู้หญิงคนไหนเด็กอายุสิบสปีก็จะรู้ห ก็โตขึ้นมากับชุมชนชุมชนเราก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากมีความรู้ในขนม ป, ประเพณีหรือเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนต้องบวชสวัสดิ์พราะว่าคนมาทำบุญที่วัดบางทีคนมาขึ้นบ้านใหม่ก็มาตึกลาครบดังนั้นเมื่อ บ, บวชตั้งแต่ยี่สิปีนี่ถึงสี่ห้าปีเขารู้จักชุมชนเขาอย่างดียิ่งมีมิติกว้างครับบวชเพื่อเป็นสมาชิกขาวรของชุมชน รู้จักผู้คนแต่ในมิตลึกนั้นคือบวชแล้วเพื่อได้ยานทัสนะที่พระเจ้าทรงสอนไว้ผ่านทางพระไตรปิฎกผ่านทั้ง น, งนงิปัสนาอาจารอาจารย์ที่เรียนนิปัสนาเพรานั้นเพิที่บวชแล้วก็เดินกระสู่มุติลึกซึ่งเป็นหัวใจอย่างวิสัชนานันั้นวัดไม่ใช่แหล่งทําบุญอย่างเดียวนะเป็นแหล่งสแสวงหายานวิเศษอยากได้สิ่งวิเศษก็ต้องไปที่นั่น ไปที่โรงแพร่หรือไปที่ที่อื่นก็ไม่ได้ครับนัน่นเป็นเรื่องโลกโลกแต่ทุกวันนี้ส่วนลึกมันกลับตื้นขึ้นเหมือนลึกลึกถูกถมจนระทั่งว่ามันมีแต่เรื่องสังคมนั้นเองบวชเพื่อรู้จักคนบางวัดกลายแหล่งค้าขายเฮโรอีนไปเลยครับเี็เรื่องหน่าเศร้าน้าสลดมากๆการแสวงหายาพิษ น, นั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับ ในทุกวันนี้สังคมก้าวขึ้นสู่นักวิชาการหนักคิดเขาเรียกว่าคลื่นลูกที่สามลูกที่หนึ่งคือเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็ข่าวสารสนเทศไเนี้ยซึ่งบางคนเรียกร้อเรียนเป็นยุคดิจิตอลอะไรแล้ว ม, มันเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าจนกระทั่งยากที่จะควบคุมยากที่จะแม้จะติดตามก็ลำบากนะครับ ในขารเราเมีเครื่องมือสื่อสารทาสมัยมมากจากความติดตามข่าวเนี่ยเราจะล้าลงด้วยในเ้ื่องการกระแสบริโภคนี้เองครับการเสวยหาเงินฐานะและอำนาจออกหน้าแเราพว่าเรามีปัญหามากกับพวกเวลาเราไม่เข้าใจไม่แนบแน่นกับความรู้สึกตัวตามธรรมชาติ เพราะเราต้องวิ่งไล้สิ่งที่เราถูกบีบให้ยอมรับทั้งๆเนี่เราไม่ได้ต้องการมันเช่นเราผู้เร า, เ ร, า, เ ร, ารู้ดีนะครับว่าเราต้องการความสงบแต่ว่าเราไม่อาจสงบเพราะเราขืนสงบเราไม่มีเงินที่จะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนวิถีชีวิตทั้งคนในสังคมบริโภคนะจะขับแย้งกันเองอยู่ตลอดเวลาต้องทําในสิ่งไม่ปรารถนาผมไม่ต้องอธิบายมากนะสิ่งนี้มันมันเั็นชัดๆอยู่แล้ว เป็นดังนั้นแรงเสียดทานเนี่ยคอนฟลิกแรงเสียดทานนยจะเกิดขึ้นในตัวของเราบ่อยผนเดี๋ยวเครียดขึ้นมาอย่างไรเหตุผลเหนื่อยขึ้นมาอย่างนี้ไม่น่าชื่อท้อใจขึ้นมาเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้ครับด้วยคําพูดโดยเห็นสนัญลักษณ์อะไรบางอย่างโดยคําตอบโต้ของภรรยาเราหมดแรงไปครึ่งหนึ่งกันเองพวกลงทันทีนะครับในกระแสบริโภคนี้เองมันได้ ตัดทอนการสแสวงหายานทัศนะลงตรงนี้สําคัญมากนะครับผมคิดว่าสังคมขั้นอดีตโดยเฉพาะสังคมพุทธสมัยพุทธกาลนะครับต้องใช้คําว่าสังคมพุทธเพราะว่าชาวพุทธถูกสั่งสอนให้สแสวงหายานทัศนะคือพูดย่ายแสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนี่กลายเป็นกระแสหลักเดี๋ยวนี้แม้จะเป็นกระแสรองก็ไม่เหลือนะผมว่า ถ้าเป็นกระแสรองมันก็ยังช่วยนะฮะคือหาเงินมาพักเดี๋ยวคย่อวกเลี้ยวอยู่เทินมันได้มาเมื่อส่งลูกส่งเต้าเรียบร้อยอยู่รอดไปเราก็เริ่มชีวิตที่เราต้องการบางอย่างนะแต่เพราะว่าเดีนี้ลาบากมากครับแต่ก่อนเรามีศัพท์คํารัตตอนอยู่ครแปลว่ผู้รู้ราตรีนานแปลว่าผู้ที่อายุมากแล้วก็ทําไมเขาไม่ใช้คํารู้ที่วานานก็ไม่รู้นะก็ใช้คํว่าราตรีนานเพราะอะไรครับ ขับศัพท์นี้ไม่ได้เฉพาะเฉพาะพระภิกษุโกลทัญะเท่านั้นจีเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นผู้รู้รตรีนานแต่ใช้ทั่วไปเพราะวิถีชีวิตในสังคมเก ษ, ษในสังคมเก่านะครับที่เราผ่านไยมาแล้วหรือที่จริงในบ้านนอกยังมีนะเรามีเวลาเหลือฟือครับหลังจากกินข้าวกินปลากับลูกแล้วลูกเต้าเข้านอนเราก็จุดยาไปทองนั่งพิงเสาเรือนแล้วก็พิเคาะทางตรัศมี่ ตรวจส่องทสำรวจพฤติกรรมลูกของหลานนึกถึงธรรมะนึกถึงพเจ้าทุกคืนทุกคืนมีเวลาไตร่ตรองนี่นานมากครับคือรู้ลาตรีนานดังนั้นไอ้ความสุขงองหรือไอ้สิ่งที่เรียกว่าการตกผลึกทางภูมิปัญญานี้เกิดได้นแต่ถึงปัจจุบันนี้ไม่มีเนี่ยเพราะว่าทีวีนิบเป็นหมดครับจากดูข่าวสารทั่วโลกซึ่งทีวีข่าวสารจากหลายช่องของโทรทัศน์ จากวิทยุจากนงานสื่อจากหลายสื่อได้ลิฟเวลาจนทั้งเที่ยงคืนเที่ยงคืนนี่มีหนังรอบเด็กเนี่ยท่านในเยอรมันนั้นหนังรอบเด็กนี่เป็นหนังหนังประเภทเตยครับหนังเซ็กซ์มู่อะไรเงี้ยในที่สุด้ยุคข่าวสารแทนที่เป็นสิ่งที่มีสือภาพที่ดีเนี่ยันกับลิฟทุกเสียงทุอย่างไปเลยเข้าค่ายใหญ่แมงมุมมันนี้แล้วหลุดไม่ได้ ปีหนึ่งผ่านไปในเรื่องมิยายน้ำเน่าลุกๆอยู่ในหัวสมองจึงไม่มีประโยชน์เลยตั้งนั้นผมคิดว่าประโยชน์น้อยมากๆเที่ยบกับการนั่งเฉยดูความมืดเห็นหินห้อยดินวงแหวม ม, มันจะทอนอะไรหลายเรื่องครับอย่างนั้นคำวมารัดตันอยู่นี่ก็ค่อยตายไปจากสังคม น, นี้ที่จึงคำหมายรัดตันอยู่สูงมากครับในสังคมอดีตนั้นเวลากลางคืนเวลาที่เหมาะเพราะว่าเสร็จงาน ไม่ต้องกงง okay. ังวลในไรกันแล้วโดยเฉพาะในสังคมเกษตรนะฮะปัจจุบันนี้ความวิตกกังวลในรายได้ในการครองชีพสูงมากแล้วก็ปัญหาจุกจิตเรียงลําดับข้นมาเสร็จเรื่องนี้ขึ้นเรื่องนั้นเสร็จเรื่องนี้บางทีซ้อนขึ้นมาหลายเรื่องจนกระทั่งว่าระบบประสาทที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพของเราตามทางชาตินะไม่สามารถทานไหวเขาเลยเรียกว่า b r e กดา o w n ใช่ไหมไม่ได้แลแปลว่า หักปน ล, ลงมาสาธบ้างเลขสองปัดดอกอะไรนะครับประสาทเล่นแล้วนีะครับวนคิดไปถึงคงดีนะครับผมเป็นคนปากใต้แล้วก็ถ้าคนใต้ด้วยกันจะรู้ว่าเวลาหนังตะลุงเขาเล่นนี่ยจะมีตัวหนึ่งเขาเล็บ ป, ปลายหน้าบทถือดอกบัว อ, อมาแล้วก็ที่จรินี่เป็นเครื่องทำในพณีสะท้อนออกถึงวัฒนธรรมพุทธ อันนึ่งจากครั้งหนึ่งเมื่อหลังจากพระเจ้าเสด็จดับขันพริมพานแล้วพระมหาทศสะปะท่องเที่ยวอยู่ในป่าและเห็นพริพาชกคนหนึ่งถือดอกมนทารกดอกไม้สวรรค์หนึ่งครับดอกไม้สวรรค์นี่มันมานานพันปีร่วงหอนหนึ่งแล้วร่วงในเหตุการณ์ใหญ่ของแผ่นดินนะฮะดัง น, นั้นอันนี้เป็นวรรณกรรมครับมันดอกไม้สวรรค์เมื่อพระกัปตศกัปเห็นเข้าก็ เฉลยวใจว่าน่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นแล้วผู้ทรงน่าจะประิณิชฐานแล้วเนื่องจากดอกไม้นั้นต่อมาใ น, นกลางสัญลักษณ์ก็บุรุษผู้ถือดอกไม้หมายความว่าเป็นผู้สื่อข่าวสื่อข่าวประเสริฐครับเพะนั้นปลายหน้าบทนี่ที่จริงมาเลยสับคํำรายณประทับบทที่ต้องกล่าวก่อนคนปากใต้จะรู้ครับว่าดูหนังจะลงใบใบรู้ง่าย <c oughs> ตัวนี้ออกมาเดี๋ยวก็กล่าวกรอนเราว่า อะไรเป็นอะไรนะฮะเล่าเรื่องแล้วเป็นตัวแทนของตัวนายหนังด้วยครับผู้สื่อข่าวผมอ่านรูปผู้สื่อข่าวครั้งอดีตนั้นก็เพื่อชี้เห็นว่าครั้งอดีตเรามีเครื่องมือสื่อสารน้อยมากครับแต่ว่าการจัดสรู้เป็นข่าวใหญ่นะการจัดสรู้ของพระเจ้าหรือการบรรลุธรรมนั้นเป็นข่าวใหญ่ที่เล่าปากต่อปากอย่างมีชีวิตชีวาโดยไม่ต้องไปศัยสื่อ คืออะไรเลยครับแล้วดังนั้น mm hmm. พ่อค้าแม่ขายทั้งหมดจะกลายเป็นวันณะที่สําคัญที่สุดด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกบุคคลอาชีพนั้นวพ่อว่าแม่พ่อค้าเราเรียกว่าพ่อเลยเนะี่ยแม่เราเรียกวแม่ค้าเลยทั้งทั้งเขามาเอาเงินเราเนี่ยทั้งนี้พราวันณนะนอันนี้ท่องเที่ยวมากแล้วข่าวสารผ่านทางพ่อค้าวันณะพ่อค้านี่เป็นชนชั้นกลางค้าขายนะ แต่เขาต้องท่องเที่ยวไปค้าขายเอาไหมจากชนบทนี้ไปขายที่โน้นแล้วรับทราบข่าวงั้นโดยเฉพาะข่าวการจัดรูของพระพริองค์นี้ก็ผ่านทางวั น, นะพ่อค้านี่มากส่วนกรารเผยแพร่ของภาษาวกนั้นนะฮะมีจุดหนึ่งซึ่งผมไม่ไม่เห็นด้วยที่มีคนพูดกันว่าภาษาวกหกสิบรูปครั้งแรกที่พาราณสีนะครับทรงส่งไปเพื่อประกาศธรรมนั้นเป็นคณะมิชชันรีชุดแรก คำวิจัยนี้ไม่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงนะครับเพราะว่าสอบคำวิชนาเรียนหมายถึงผู้ที่รับคําสั่งจากศูนย์กลางแล้วไปทํางานแล้วก็รายงานกลับมาศูนกลางแต่คาขอร้องที่ที่เจ้ารับสั่งให้ภาษาวหกสิบรูปนั้นออกไปประกาศนั้นออกไปใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ของตัวตามธรรมชาติแล้วตามพื้นเพของตัวเองไม่มีการบริหารบุคคลหรือบริหารงานใดๆทั้งสิ้นให้รับผิดชอบต่อคนมนุษย์ ดังนั้นจะใช้คำวิชฉาลีไม่ได้และเราประสงค์รุ่นแรกเหล่านั้นก็มีความรับผิดชอบสูงมากพวกเราในประเทศนี้ตั้งแต่อดีตบรรประชนของเราด้วยได้รับคุณอุปการจากการเราผยแพ่ธรรมะของพระเจ้าจากพระระหันสองลูกคือพระโสรณพระอุตระที่เดินทางมาสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดที่เราอาศาัยอยู่ นักวาระดียังเถียงนั่นว่าที่เมืองสเทอมมาครั้งแรกที่มืองสเทอร์พรม่าหรือเมืองกรมถมกันแน่ไอ้นั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชประเด็นสำคัญฮะแต่สิ่งผมคิดขึ้นมาคือท่านเหล่านั้นใช้ภาษาอะไรในการเผยแพร่ทีนี้นถ้าเราต้องเป็นตัวแทนไปเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าแล้วเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องแล้วต้องใช้ภาษาอะไรทั้งนั้นแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าภาษาเป็นสิ่งรอง หัวใจที่บริสุทธิ์ทุ่ท่าที่เนตากุณาจริงใจตัพวพัฒนมนุษย์ตรงนี้นีมก็เป็นสื่อที่สําคัญที่สุดตอนพูดไม่ได้เลยก็กระต่างนะจนภาษามนุษย์ี่เป็นสื่อสมมุติครับดังนั้นจึงเกิดสอบคาว่าจิตถึงจิตใจถึงใจแม้ภาษาจะคลาดเคลื่อนเข้าใจตีความกันไม่ไม่ทัดเทียมกันก็ตามแต่ว่าเหมือนที่เราทราบเป็นดีนะครับว่า ไม่มีประคำพีเล่มใดที่จริงแท้เท่ากับหัวใจของเราดังนั้นยานทัศนะที่พระเจ้าออกแสวงหานั้นหลังจากท่านประสบแล้วก็ท่านสรงชี้แนะก ล, ลวิธีนะที่จะได้มาขึ้นยานทัศนะเพื่อง่ายสุดกระแสว่าธรรมของพุทธในประเทศนี้นะะมองในแง่กว้างก็เพื่อเอกภาพ เพื่อทำให้มนุษย์สภาวะเติบโตขึ้นมองในมุมนุษย์ก็คือเพื่อได้ยานวิเศษที่ทำให้ความทุกข์หักแหลกลงนี่คือจะเรียกว่าเป็นองค์แห่งความรู้ของพระสัจนาก็ได้โดยพขาทมพีแล้วเรารู้ว่าองค์งความรู้นั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่จริงๆแล้วตัวสัาพันที่สุดคือยานทัศนะที่ถูกตรงผมได้เล่าว่าัแต่ต้นนะครับว่า ยานทัศนะนั้นของพุทโธเองนั้นเกิดขึ้นด้วยประสบการณ์เชื่อฉานชำนาญทางดนตรีดนตรีทำให้เขาเข้าสู่ปากทางทันทีผู้มาทีหลังอาจจะยังไ ม, ไม่ได้ยินนะครับว่าผมอาจจะพูดให้ฟังแปลกๆว่าพระเจ้าเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาด้วยประสบการณ์ทางดนตรีผมจะเล่าเกล็ดเล็กเกลด น, น้อยมานะครับอาจาก พระคำพีละลิศวิตซึ่งเป็นพระคัมภีร์ ท, ที่ที่ดีเรื่องหนึ่งชักชวนให้อ่านถ้ามีเวลาแต่ผมเชื่อว่าเราคงมีเวลากันไม่มากเพราะเป็นหนังสืเอเล่มหนาฝึกเลยครับดูเ mm hmm. มัอนวัฒนธรรมการอ่านสมัยนี้ของเราเราอ่านเหมือนอ่านคือพิมพ์หนึ่ง mm hmm. ดังนั้นส่วนพระคัมภีหนึ่งเขาไม่ได้นึกพลขึ้นเพื่อให้อ่านแบบอ่านข่าวแต่ต้องอ่านในความเงียบแล้วต้องมีวัฒนธรรมการอ่านอีกแบบหนึ่ง ที่จริงว่าทําเก่าของเรามีที่ทํานองสวดนะครับที่พันยาพันยาให้ลูกหลานอ่านแล้วลูกหลานเบื่อมากๆที่จริงการอ่านทํานองสวดเสียงยืดนั้นคือช่วงขณะการใจตองตามกระแสความนั้นไปด้วยแต่ทุกวันนี้เราอ่านทุกสิ่งอย่างเหมือนก็อ่านสื่อพิมพ์ฟังเหมือนฟังข่าวไม่สุดเราก็เชื่อมโยงกับสาระจริงๆไม่ค่อยสนิทนะยกตัวอย่างนะครับ เราฟังข่าวเรื่องดาวประเคราะห์ดวงนี้ถูกมลพิษห่อหุ้มอยู่เราอ่านเราเข้าใจเรารู้แต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยหรือมากกว่านั้นเมื่อเราดูโทรทัศน์เห็นการเข่นฆ่ากันถึงเลืออถึงเนื้อดูไปดูมาจะสนูกเกา่านะครับในสุกสร้างนิสัยใหม่ขึ้นการเฉยกับทุกๆเรื่องรอบๆตัวเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดนักเข้านัเข้า ภาวะภายในของตัวเองเมื่อเกิดฤทธิ์ยากระเด็นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาในสุดมนุษย์ก็ค่อยทื่อเข้าทื่อเข้าจนเห็นทุกเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่ธรรมดาในแง่ของความเป็นธรรมะแต่ธรรมดาขอความเฉยชาต่อทุกสิ่งนี่เข้าข่ายของภาวะที่ตกต่ําแล้วครับคือความจริงนั้นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ หรือจิตใจของมนุษย์นั้นได้ซ่อนแฝงศักยภาพอันสำคัญยิ่งอันหนึ่งไว้ซึ่งคือความชอบไวในการเรียนรู้ผมขออนุญาตใช้สังกฤษนะครับคือ s ensitivity ชั้นสูงใช้คำา higher sensitivity ซ่อนอยู่ดังนั้นข้อนะนำกว้างๆของพุทธองค์ในการทะุทนอมเครื่องมือพิเศษที่จะได้ยานทักษณะนั้นในการปราบไม่ให้ดึมสุลาไม่ให้พูดเพช ไม่ใช่ทาอะไรที่มันทําให้สูญเสียสมรรถนะหรือศักยภาพอันนี้ไปการท่านห้ามให้ดื่มชลาไ ม, ไ, ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ท่านอิจฉาคนที่เมานะครับไม่ไม่ใช่ว่ากีดกันไม่ใช่นั้นนะครับแต่เป็นข้อแนะนําว่าถ้าขืนทําอย่างนั้นจะค่อยๆสูญเสียความฉับไวในการเรียนรู้สิบประธานศีลดยองรวมแล้วไม่ใช่อะไรอื่ น, นครับคือการปลุก ความรู้สึกตัวที่ฉับไวในการแลเห็นในการรู้จักสิ่งต่างๆซึ่งแกดูนะครับความเฉืยชารของเรานี่นเนื่องจากเราติดยึดอยู่ในความทรงจําเก่าๆของเราพ้วยง่ายเรามีพื้นใจเรามีอารมณ์หนึ่งอยู่นั้นเมื่อเมื่อมีอารมณ์อยู่เราไม่มีไม่มีประสบการณ์สดๆต่อสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นภาวะที่เปิดเปิดตัวมันออกมาเองนี่แต่เรามักจะมีอารมณ์เก่าหมกหมงอยู่ โดยเฉพาะความจําอันเหนียวหนับอยู่กับสิ่งที่อะไรอาวรหรือชิงชังฝังแน่นอยู่ซ่อนอยู่เพราะนั้นก็ผมครั้งหนึ่งผมเคยมีปัญหากับผู้คนชนชาติใดชาติานหนึ่งเช่นยกตัวอย่างชาวอินโดนีเซียนะฮะเพราผมเห็นคนอินโดนีเซียในประเทศนี้ในประเทศไทยซึ่งจริงคนละคนแต่พะรู้ผมเริ่มเอียงแล้วเพราะผมติดแน่ น, นความทางงารงจำเขาก่านผมเองผม ช่วงโอกาสที่ประสบการณ์สดสดและใหม่เอี่ยมจะปรากฏขึ้นยากมากครับที่ผมเคยเล่าไว้เมื่อหลายเดือนก่อนในห้องนี้นะครับว่าชาวมุสลิมคนหนึ่งเขาเคยไปเยี่ยมผมเพราะาาที่ไปเยี่ยมผมเพราะว่าเขาไม่อาจคุยกับใครได้ในในโบสถ์ในสุหรา่าเพราะศาสนาโดยทั่วไปที่มีพระเจ้าเป็นหลักคุณต้องเชื่อท้าทายตั้งคำถามไม่ได้เป็นบาป เขาถูกตำนามว่าเป็นพวกโง่เง่าต่าจนแต่ผมกับพวกเขาฉลาดมากแต่เป็นความฉลาดอีกแนวทางหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเองสังเกตเห็นว่าบางวันทะเลเนี่ใหม่เอี่มและเรือที่เขาใช้มา20 20ปีใกล้เรื่อใหม่แต่บางวันมันทำไเกา่าทะเลก็เกา่เกเกาเท้าป้าก็เกา่าๆผมพอได้ยินเท่านี้ผมก็จับได้ว่าเขาสังเกตเห็นอะไรบางสิ่งซึ่งซึ่ ง, งลึกๆซึ้ง คุณกระพายว่าวๆประมาณในใจเขาประสบการณ์หนแรกนะครับจะกลายเป็นครูและเป็นทางอยู่ในตัวแต่ประสบการณ์หนที่สองจากความทรงจําเราจะฝังความจํานั้นไว้แต่ระยะระยะระยะและในสุดการมองโลกของตัวเราจะกลายเป็นการรวิวไอ้สิ่งกเก่าๆออกมาบทบังประสบการณ์สดสดดังนั้นโลกจะเป็นโลก เก่าอยูเรื่อยน้ำมนุษย์เองก็ปูกพันธนะครับอดีตการมองการได้ยินการลิ้มรสเพราะกินอะไรหวานโอ้หวานดีจังเลยซึ่งเราก็โยงเข้สู่ประสบการณ์ตัวเองในอดีตเราผูกมัดกับอดีตสิประสานสีนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนะครับเป็นอุบายที่สำคัญมากที่สุดเป็นเร้เทคนิคก็ใช่นะแต่ผมไม่อยากใช้คำนี้ผมอยากใช้คาเป็นยุทธวิธี เป็น strategy ที่จะปลุอชีวิตจิตใจนใีน้ให้มันให้มันฉับไวขึ้นในการยินในการฟังแ ท, งท้ยินครั้งหนึ่งเราเคยเป็นนะครับตอนเราเป็นเด็กๆ เ, เ, เด็กจะว่องไวในการฟังเสียงจริงหลีเขาจะเห็นตักตะแตกรงกระโดดนะครับซึ่งเด็กนี่เราไม่เห็นนะครับหรือเด็กเล็กๆจับมือของแม่ที่ดูประจันเลยเขาเห็นมันทั้งชีวิตเลยครับแต่ว่าแม่อาจะไปดูเลยมันไม่สวยหรือมันเป็นเอ บริวารของโลกนี้เราไปอธิบายมันหมดสิ้นเลยครับในคําอธิบายมากมายมันก็บังการเห็นบริสุทธิ์ครับนี่ ม, ม, ม, มืดมืดก็คือเมื่อเราติดยึดจุดความจำํำเก่าๆมากดังนั้นเราจะไม่เห็นอารมณ์ภายในของเราเช่นความริษยาความเกลียดความเหนาเรารู้สึกแต่ทุกข์เท่า น, นั้นครับแล้วเราก็กลางคนดีแต่ทุกข์คำว่าดีแต่ทุกข์นี่ต่อให้เป็นห่องเต้น ทุกเหมือนกันครับนิสมมุวะรเราเริ่มเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับเราเริ่มต้นสำรวจทบทวนขออภัยครับแล้วทบทวนในผลหนึ่งทบทวนความรู้วันของเรากับโลกการทบทวนไม่ใช่การนั่งนื้อฟื้นความหลังสืบเสาะว่าเรามีความสัมพันธ์อะไรกับใครกับสังคมอย่างไรไม่ใช่อีกนั้ น, นทบทวนคือการดูครับการฟังการตื่นตัว และการจับความรู้สึกที่ง่ายๆที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราซึ่งเป็นฝักฝ่ายของนามธรรมแ้าเราค่อยๆเข้าใจเรื่องเราหรือค่อยๆได้ยาอนทัศนะในตัวเองด้วยตัวงตัวเองครับไม่ใช่ฟังหรือจำมาจากพระคำีีพระคำพีการเป็นสิ่งที่คู่มือทบทวนความจำของเราเท่านั้นแต่ตัวประสบการณ์ที่เห็นแจ้งในตัวเองนี่เองที่เป็นหลักใหญ่ที่พระเจ้าทรงแนะนาไว้ แต่วความลิสิยาหิดประเด็นเรื่องความลิสิยานะครับเราพบข้อที่จริงง่ายๆว่าความลิสยาคือความคิดเชิงเปรียบเทียบแล้วเราจะไม่ลิสยาผู้ที่ไม่อยู่ในฐานะของความน ค, คู่แข่งกับเราเรามักจะลิสยาที่มีปัญหาเพื่อนรเรียนร่วมรุ่นพี่หรือน้องที่ได้ดีหรือหรือไม่ได้ดีกว่าหรือน้อยกว่าเรามากกว่าเรา เราจะไม่ริษยาเอ้าชายหรือเจ้าหญิงของประเทศนู้นซึ่งเชื่อกันไม่ได้อยู่แล้วครับพอเราคิดเปรียบเทียบเราจะเริ่มเกิดความรู้สึกฝักใฝ่เป็นนามธรรมแต่ถ้าคนเข้าสังเกตดูจริงเนี่ยผมอยากจะใช้คําคพูดและทัศนคส่วนตัวนะครับในที่นี้เน้นไว้ก็เพราะว่าว่าจะผิดก็ได้เนะียผมว่านามธรรมนีม่เป็นรูปธรรมแต่เป็นรูปธรรมึซ่ซึ่งเห็นได้ยากเท่านั้นเองครับ ความรู้สึกเหนาวนี่มันเหมือนว่าเป็นกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างและดังนั้นมันสลายได้ครับเมื่อมันสลายไปหมดจะเห็นมันด้วยมันหมดแต่ถ้าเป็นนามธรรมอยู่รู้จักยากความเหงาความเศร้าเรารุมอยู่เนี่ยตอนนั้นสติเราจะกระเจิงกระเจิงครับเราก็รู้สึกแต่เรื่องเศร้าและแต่งมันในการเรียกร้องที่จะให้อาจจะไปหาพระช่วยบอกผมหน่อยว่าทําไงทําสมาธิเพื่อจะไล่ความเศร้า ทั้งเราไม่ได้เห็นดังนั้นเราเหมือนถูกปีออมแล้วก็อยากจะไล่ผีตรงนั้นกไม่รู้ว่าผีอยู่ตรงไหนเลยนะครับดังนั้นพระเจ้าส่งลออเลียนนะครับลออเลียนว่าเปรียบเหมือนหนายหนุ่มคนหนึ่งแบกกระดมากระบกระดาษนะครับใ้ภาษาชาวบ้านนะคาว่ากระไดหรือบันไดแล้วนาย ห, หนุ่มคนหนึ่งถามว่านั่นจะเอากระดาไปไหนหนุ่มที่แบกกระไดาบอกว่าฉันจะเอาไปปีนเข้าหาสาวน้อยที่ฉันรัก ไอ้หนุม่มคนหนึ่งเพื่อนเพื่อนถามว่าสาวน้อยชื่ออะไรไอ้หนุ่มแบกก็ไดบว่าไม่รู้ถามาบ้านเธออยู่ไหนไม่รู้แล้วจะปีนวันไหนก็ไม่รู้ทุกอย่างไม่รู้เท่งนั้นครับรู้อย่างเดียวคือความอยากความอยากไม่ว่าจะอยากรวย ห, หรืออยากจน น, น, นะครับหรืออยากบรทุกกระทุกเท่านั้นหะครับอยากจะบรรทุกกระทุกครับเป็นลูกหนึ่งความทุกข์อยากจะมีสมาธิก็ทุกข์อีก ในนั้นเร า, เราคุ้นมากกับการใช้คำมยาแต่เราไม่คุ้นเลยการสังเกตล้วนๆดูเฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยครับเพราะโดยการไม่ทำอะไรเล ย, ในในในเลยแล้วเริ่มสังเกตเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นมันผมทีดว่าเราเห็นศัตรูทุกมองเห็นตัวนั้นปัญหาเรื่องความไม่เห็นนั้นหักแหลกลงแล้วนะฮะเพียงผมเห็นได้ว่าขณะนี้ผมกำลังเหงาแล้วเจ้าตัวความเหงากำลังอัดแน่นอยู่ในนี้นน ผมเชื่อผมดีขึ้นหน่อยหนึ่งอธิบายตัวเองนะเพราะอธิบายเมื่อเดี๋ยวก็โกรธเอาแต่ส่วนใหเราไม่เห็นครับว่าเราเหงาหรือลิสยาแล้วเราก็ด่าคนอื่นทันทีเลยเพราะฉะนั้นนอกวันที่เราทำอย่างนั้นย่งนักน่งเรายั่งไม่รู้จักตัวเองทุกทีบางทีเรากดดับคนอื่นนะขี่โกรธแต่ตอนที่เราโกรธเราไม่เห็นแต่ถ้าเรานุ่นฝึกจผมใช้คำว่า